นอบน้อมต่อคุณพระ ต, ะตรัตรโกกาศพระอาจารย์พยสารเพื่อสตรมิทุกท่านจเจริญธรรมมตชีและญาติธรรมทุก ท, ท่านนั่งสบายๆเนาะเมื่อาวานนี้พระอาจารย์พยสารก็ได้พูดในเรื่องจิตสุดท้ายเนาะว่าถ้าคนเรามีจิตที่เศร้าหมองแล้วเนี่ยก็มีโอกาสไปเอาใบภูมิได้ง่า ย, ายๆเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่า คนเราก็ต้องมีความตายทุกคนนะต้องถึงความตายทุกคนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าตอนนั้นอนะ่ะจิตเราจะเศร้าหมองไหมต่างหากใช่ไหมมันนี้ไม่พ้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนี้ต ร, ง น, ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะคราวนี้ตรงนี้ก็ในสมัยพุทธกาลก็มีพูดอยู่นะก็คือสมัยหนึ่งบู้าได้ทรงไปบินทบาทก็ผ่านไปที่หน้าบ้านเศรษฐนะีเนาะเมื่อผ่านไปที่หน้าบ้านเศรษฐีก็หยุดยืนอยู่แล้วก็ทรงย่ำสวน คือที่บ้านเศรษฐีก็ไม่ได้ใส่บาทนะก็ทรงย้ำสวนแล้วก็ผ้าโ น, น์ก็เห็นส่งย้ำสวนคงยังมีเหตุอะไรบางอย่างแล้วก็เมื่อกลับไปที่ที่วัดแล้วก็เลยถามพระเจ้าว่าเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงย้ำสวนพระเจ้าบอกว่าเศรษฐีนั่นแหละตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านของเขาเอง ครั้นีน้เมื่อพูดไปแล้วก็มีการพูดต่อตอไปก็ได้ยินไปถึงหูของลูกชายเศรษฐีก็ก็เกิดความไม่พอใจนะว่าทําไมมาว่าพ่อถึงมาเกิดเป็นลูกสุนัขได้ก็เลยก็เลยมาค้ายๆมาต่อว่าพุทธเจ้าพุทธ เ, เจ้าก็เลยบอกว่าอย่างนี้พิสูจน์กันดีไหมก็คือกลับไปแล้วก็ให้ไปไปที่ลูกสุนัข น, น, นั้นนะแล้วก็เอาอาหารอย่างดีให้เขาทานเนาะ เราก็อาบน้ําให้เขาอย่างดีแล้วก็ถามว่าพ่อพพ่อฝังสมบัติไปที่ไหนาพาลูกไปขุดด้วยครั้นี้ลูกก็ไปทําตามนะ ะ, ะก็ปรากฏว่ า, าสุนัขนั้นลูกตรงนั้นก็พาไปดีใจนะก็เลยพาไ ป, าไปขุ ด, ข ด, ขดในพื้นดินในที่ดินตัวเองนั่นแหละลูกชายก็เลยให้คนใช้ขุดดูก็ปรากฏเจอสมบัติจริงๆเนาะ อันนก็เพราะว่าเศรษฐีตอนก่อนตายก็ฝังสมบัติเไว้แต่ก็ไม่ได้บอกลูกเอาไว้ก็ตายไปโดยที่ยังห่วงสมบัติไว้ยังไม่ได้บอกลูกก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นลูกสุนัขในตรงนั้นเนาะหลังจากที่ลูกเศรษฐีได้พบความจริงก็เลยมากราบเขามาพบเจ้าแล้วก็เรื่องอื่นก็ยังมีนะก็คือมีชายคนหนึงก็อายุมากแล้วตอนนั้นก็ใกล้ตายแล้วก็อยู่ที่บ้านลูกหลานก็มาดูแล เยอะพอกล้จะตายแล้วชายนั้นก็อยู่ดีก็ตกใจนะแล้วก็ร้องใหญ่ไล่มดเอาไปให้หมดไล่ไปให้หมดปล่อยให้หมดก็้ามาทาไมลูกหลานก็ร้องไห้เลยนะเพราะไม่มีมดไม่ได้ตัวเดียวแต่ว่าตอนที่ชายคนนี้ยังดีๆอยู่ก็เจอมดที่ไหนก็ชอบฆ่ามดชอบตีมดแล้วก็ชอบเผาหลังมดเป็นประจำเนาะครั้นี้จากวิบากกรรมที่เคยทำมาเป็นประจาก็เรียกว่าเป็นอาจินกรรม ก็มาส่งผลให้เกิดนิมิตนั่นแหละที่ว่าเห็นนิมิตในทางไม่ดีทําให้ตกจใจกลัวจากอิบากที่ตัวเองเคยทาอยู่กันประจำนะก็ส่งผลให้อาสานกรรมก็คือกรรมก่อนตายนี่แหละเป็นกรรมที่มาปรากฏในทางไม่ดีเนาะจิตก็เลยเกิดความเศร้าหมองแล้วหลังนั้นก็ตายไปเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องไปสู่อบยภูมิแน่นอนพระจิตเศร้าหมองแล้วก็มีความกลัวอยู่ในในตรงนั้นจากกิจกรรมที่ทําอยู่ประจํา ผู้ที่ทําจิมกรรมประจํานี่มันมีผลนะไม่ใช่วไม่มีนั่นแหละอย่างที่พระอาจารย์ไปสานเลยเลาเมื่อวานนี้ผู้ที่ชนไก่ประจําก็จะเอาเอาเอ า, เอากรรมหมัดมาชนกันหรือนิ้วโป้งมชนกันแล้วก็ร้องเป๊กท่อเป๊กท่อก็คื อ, อยุให้ไก่มันตีกันนั่นเองมันทําแบบจำอะ่พะพอตอนก่อนตายมันก็ไอ้นี่มีตรงนี้มาขึ้นมานะมันจิตตัํานึกมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นในตรงนี้วิบากกรร ม, มาส่งผลถ้นะาให้จิตเกิดความเศร้าหมองเนาะ หรือคนที่เล่นไพ่ประจําก็ก่อนตายก็จะเอามือมาคลี่ไพ่คลี่ไพ่นะเนี่ยมันมันเป็นกรรมที่ทํามาประจําอยู่แล้วเนาะมันมาส่งผลในตอนก่อนตายเรื่ออสัญกรรมให้เป็นในทางปริภูมิแล้วก็มีแม่ชีคนหนึ่งอยู่ทางภาคอีสานนี่แหละอยู่กุบาจันทร์องค์สำคัญองค์หนึ่งคราวนี้แม่ชีวันหนึ่งก็ก็ซักผ้านะแล้วก็ก็เอาผ้าแช่ไว้นะ่ะ แชรไว้ตอนเช้าก็มาดูว่ามีมแมลงตกไปในทั้งผ้าตายเยอะแยะเลยไม่ชีนี่ก็ก็รู้สึกก็มีมันว่าจะไม่ถูกต้องนะนุกตัวเองคงยังมีความผิดตรงนั้นนะ่ะที่ว่าทําให้ทําให้มแมลงตายนะก็ไปคิดอยู่นั้นว่าไม่น่าทําแมลงตายเลยเราสะเพร่าเองนะก็คิดอยู่เป็นประจาจิตก็เศร้ามองอยู่บ่อยๆนะต่อมาไม่นานไม่ชีก็ตายขึ้นไม่ชีในยุคมากแล้วแล้วก็ตาย ตายไปลูกศิษย์ก็ถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้ไม่ชีไปอยู่ที่ไหนพระอาจารย์บอกไม่ชีลงนรกไปแล้วลูกศิษย์ถามว่าทําไมจึงไปเช่นนั้นล่ะพระอาจารย์บอกว่าก็ไม่ชีนั่นแหละไปคิดเรื่องมแมลงตาอยู่ปรนะจํานำจิตก็เลยเศร้าหมองก่อนตายจิตเศร้าหมองก็เลยไปลงนรกเลยเนาะในตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมันเป็นเหตุนะัเทียว่านะคือคนเราเนี่ยมันบางทีมันก็ทําความดีไม่ชีก็น่าจะรักษาศีลมาเนาะ แต่ถ้าก่อนตายจิตเศร้าหมองมันก็มีโอกาสไปลงใบพุ่มได้นะนี่เป็นสิ่งที่เราว่าเราเรากลับมารู้ตรงนี้ไหมเพราะเราก็ลองตายเหมือนกันใช่ไหมเราถ้าเราจิตเศร้าหมองอะจะเป็นอย่างไรเนาะครั้นี้มันมันจะเป็นอย่างไรนะก็คือเหมือนกับวัวน ะ, ะวัวอยู่ในคลองเนี่ยมันมีคอกมีวัวอยู่เยอะแยะเลยวัวก็มีไหล ย, ย่างไหลตัวนะมีทั้งสีขาวสีดําสีน้ําตาลน้ําตาลแก่น้ําตาลออนอร์เยอะแยะใช่ไหมครั้นี้ วัวตัวไหนจะได้ออกเป็นตัวแรกวัวที่ได้ออกเป็นตัวแรกก็คือวัวที่อยู่หน้าประตูคลอกนั่นเองนะเมื่อใดที่มีการเปิดประตูวัวที่อยู่ตัวแรกที่หน้าประตูนั่นแหละก็จะเป็นตัวที่ออกก่อนอาจจะเป็นตัวไหนก็ได้ใช่ไหมมันไม่จาเป็นว่าต้องเป็นตัวตัวสีอะไรอยู่ที่ว่าตัวไหนอยู่ตรงประตูคอกใช่ถ้าหากว่าประตูคองนั้นก็เปรียบเสมือนกับจิสุดท้ายแล้วนั่นแหละ คิวท้ายเมื่อมันเปิดก็คือเปิดประตูนั้นวัวที่อยู่ตรงนั้นก็คือจิตสุดท้ายมันเป็นอย่างไรมันก็คือตัวนั้นที่ออกก่อนเนาะคนั้ตรงนี้ก็ว่าเออมันตรงเนี้ยวัวที่ออกตัวนั้นน่ะมันเป็นจิตเศร้าหมองหรือว่าไม่เศร้าหมองเนาะถ้าเศร้าหมองมันก็มีโอกาสที่จะไปใบยภูมิได้อย่างที่บุญเจ้าได้ทรงตัดกันไว้ว่าจิตเตสังกลเลเถทุกติปาเตียงขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกติเป็นอันหวังได้เนาะ ตรงนี้ก็เลยต้องอาสังเกตใจเราให้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถที่จะรู้เท่าทันจิตของเราแล้วว่ามันเศร้าหมองหรือว่าไม่เศร้าหมองนะหรือว่าจิตมันไม่เศร้าหมองเรารู้ทันไหมตรงเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์นะพระเจ้าก็เลยทรงตัดว่าจิตเตอสังเกตเถสุขติปาเตียงขาเมื่อจิตไม่ไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเปน็นนันหวังได้เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราก็กลับมาสังเกตจิตใจเราได้ไหมในตรงนั้นนะ่ะ คนที่ไม่เคยฝึกเจลเสียงต่างๆเนี่ย ม, มันจริงอันตรายนะอย่างที่ว่าเมื่อวานอาจารย์ภาษาไทยกเล่ามีคนจะตายแล้วก็มีคนบอกว่าพุทโธพุทโธนะก็ไปนึกถึงแกงส้มปลาเทพโพนะมันคนละเรื่องกันเลยนะคือไม่เคยฝึกในเรื่องพุทโธแล้วก็ไปนึกถึงเรื่องที่เขาเคยชินในการทาเป็นประจํานั่นแหละใช่อ่เหมือนกับคนคนที่สมมติว่าเรือล่มใช่ม เลือล่มนี่นแหละในขณะที่เรือล่มเราจะไปฝึกว่ายน้ําในขณะเรือล่มได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องฝึกว่ายน้ําก่อนมเมื่อเราฝึกว่ายน้ําก่อนเรือล่มแล้วก็ว่ายน้ําเป็นอันเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรือล่มก็หมายความว่าขณะเราก็ใกล้ตายแล้วนะถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นมันก็มีโอกาสที่จะจมน้ําตายหรือแม่แต่คนมาช่วยก็ช่วยไม่ได้นะเขาก็ไม่มีกําลังที่จะให้ใครเขาช่วยได้ แต่ในขณะที่คนที่ว่ายน้ําเป็นนะเมื่อเรือล่มก็สามารถว่ายน้ําขึ้นฝั่งได้ไม่ตายฉั้นใดผู้ที่สามารถที่จะรู้เท่าทันใจเราขณะนั้นเป็นอย่างไรขณะนี้อารมณ์เป็นอย่างไรขณะนี้ใจเราเศร้าหมองไหมขณะนี้เราติดอะไรไหมขณะนี้เราห่วงอะไรไหมขณะนี้เรากังวลอะไรไหมขณะนี้เรามีความเศร้าไหมมีความทุกข์ไหมมีความผูกพันมีความห่วงใยสิ่งใดอยู่ อันนี้มันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้เท่าทันก่อนมันต้องรู้เท่าทันก่อนเราเมื่อต้องละก่อนด้วยไม่ใช่ว่าขณะตายมันจะไปละได้ไหมอันนั้นโอกาสมันน้อยแต่มันอยู่ที่ว่าเราค่อยๆละความผูกพันละความยึดถือยึดมั่นถือมั่นละความเศร้าละความโศกละความทุกข์ละอารมณ์ต่างๆมาต่อเนื่องกันต่างหากเพราะฉะนั้นในขณะก่อนตายตรงนี้มันจะวางไดเร็วเราก็วางได้ง่ายขึ้นเนาะ เพราะนี้ก็คือเหตุผลสําคัญว่าทําไมเราจะต้องมาปฏิบัติธรรมกันแล้วเราก็จเจริมสติกันเพราะเหตุนี้เพราะว่าเราเราต้องตายทุกคนอยู่แล้วนะมันหนีไม่พ้นเพราะนั้นเมื่อก่อนตายนะั้นเราจะวางใจอย่างไรอจิตสุดท้ายเราจะวางอย่างไรอันนี้สําคัญกว่าเนา ะ, ะแล้วเมื่อเราวางอย่างไรแล้วอันนี้เราช่วยตัวเองเราได้แต่ถ้าญาติพี่น้องเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารัก จะจากไปแล้วเราช่วยท่านยังไงอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเมื่อเราสามารถที่จะว่ายน้ําเป็นเราก็สามารถที่จะไปสอนคนหนึ่งว่ายน้ําได้แต่เราว่ายน้ําไม่เป็นเราก็แหม จ, จะไปสอนผู้ใดให้ว่ายน้ําได้เหมือนกันนะหรือสอนผิดทางนี่ยิ่งแย่อย่างนะก็เลยเพื่อๆหนักมาเก่าเนี่ยมาก็เรียรู้วิธีการสอนการอะไรให้ถูกต้องเนี่ยมาเออวางใจอย่างไรถ้าเขาไม่เคยฝึกปฏิบัติไม่เคยอบรมไม่เคยฝึกสติมาเราจะให้อารมณ์เขาอย่างไรไม่ใช่ว่าให้อารมณ์เหมือนกันหมดเขาก็าจจะ เกิดความกลัวขึ้นมาเองก็ได้เออจะตายแล้วปุ๊บให้พุโทโธพุโทโธก็เลยตกใจ<ม>เราจะตายแล้วก็เลยยิ่งแย่ใหญ่ใช่ไหมมันก็ต้องมีอยู่บายต่างๆที่ว่าเราเราต้องมีเทคนิคในการที่จะให้อารมณ์ก็ด้วยเนะะาะคราวนี้อย่างที่ว่าแล้วนะเราเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ได้อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะจะได้วางใจถูกต้องก่อนตายใช่ไหมคือปกติคนเราท้อๆไปนะมันก็มันจะมีอนุสัยเกลเลต์อยู่แล้วก็คืออ่า ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันอยู่ในใจเราทุกคนอยู่แล้วแล้วคนทุกๆไปนี่เขาก็จะทําไปตามอารมณ์อยู่เรื่อยๆน ะ, ะตายรูปที่พอใจก็ยินดีอยากจะได้ อ, อยากจ ะ, ะได้สิ่งนั้นมาใกล้ๆหรืออยากเป็นเจ้าของเนา ะ, ะหูได้ยินเสียงเสียงดินเสียงไพเราะเสียงคำชมเชยต่างๆก็ดีใจแล้วก็ติดในตรงนั้นแล้วก็ไปยึดว่าเออเราเก่งเราดีเราวิเศษ นะมีคนชมเรานาะอ่าในขณะเดียวกันถ้ามีใครมาดา่าเรามานินทาเรามาว่าเราเราก็ไม่ชอบใจเราก็ไปเพ่งโทษเขาคนนี้มาว่าเราทำไมนะอ่ า, าล้วก็ไปดูว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขามาว่าเร า, าคือมันจะส่งจิตตรงนอกตลอดเลยนะแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่เคยกลับมาดูตัวเ็าเองเลยขณะนี้เขาดีใจเ็ารู้ไหมอ่าเขาพอใจเขารู้ไหม ขณะนี้เขาไม่พอใจเขาขัดเคืองเขาโกรธเขารู้ไหมเนี่ยตรงนี้เขาไม่เคยกลับมาดูในใจเขาเองเลยเพราะคนเราปกติ น, นี่จะส่งนอกเป็นประจำอยู่แล้วนะเพลิดเทินไปแนร่้มต่างๆแล้วก็ไปเพ่งโทษคนอื่นใครทําผิดก็ไปเพ่งโทษเขาใครมาว่าเราก็ไปเพ่งโทษเขาตลอดนะหรือใครมาชมเราก็ไปดูว่าเขาดีใช่ไหมมันไม่เคยกลับมาดูตัวเองเลยว่าเป็นอย่างไรนะนะแต่ว่าการที่เราสามารถกลับมารู้จักตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ไหม จริงๆแล้วมันไม่ต้องไปรู้จักคนอื่นนะพระเจ้าบอกว่าชนะตนเดียวชนะคนทั้งปวงใช่ไหมหรือลบศึกลอยคางก็สู้ชนะตัวเองคางเดียวไม่ได้เพราะการที่เรากลับมารู้จักตัวเราเองนะีอันนี้เป็นประโยชน์ที่สุดเนาะเราจะรู้จักได้อย่างไรน ะ, ะก็คือเรารู้ไหมว่าขณะนี้เรากําลังเกิดอะไรขึ้นมาในใจเรานะีเช่นมีคนก็มาด่าแล้วปุ๊บแทนที่เราจะไปรู้คนอื่นน ะ, ะเขามาว่าเราทําไมเขามาใส่ร้ายเราทําไม เราจะเพ่งโทษเขาถ้าเรามีสติแล้วเรากลับมาดูตัวเองอจิตมันจะกลับมาทันทีนะมันจะเห็นว่าตอนนี้เราโกรธแล้วนะเราไม่พอใจแล้วเราหงุดหงิดแล้วเนี่ยมันจะกลับมารู้จากตัวเองนะมันจะตรงกันข้ามนะมันจะกลับมารูจจากตัวเราเองเลยนะหรือใครเข้ามาชมเราเมื่อก่อนเราก็เออดีใจเข้าดีจังเลยมาชมเราแต่เราจะกลับมารู้ตัวเองกำลังดีใจกาลังพอใจนะตรงนี้เมื่อมันรู้ทันในตรงนี้ มันเครู้มันจากการที่เราเคยรู้ทันมาบ่อยๆนะมันก็จะไม่ไปไม่ไปติดในลบเหล่านั้นนะมันจะไม่ไปเพลิดเพลินในคําชมหรือเพลิดเพลินในคําด่านะมันจะกลารู้รู้อย่างไรมันจะรู้เฉยๆนะมันจะเห็นสภาวะธรรมมันก็เฉยๆกับมันนะมันก็รู้รู้เท่าทันแล้วมันก็สามารถที่จะเป็นอุเบกขาได้นะอุเบกขาไม่ใช่ว่าเราทํำมันอุเบกขาแต่ว่าใจมันก็รู้เฉยๆได้เพราะมันเคยฝึกมาแล้วมันก็ไม่ได้ไปยินดียินร้ายอะไรกับเขา เราไม่เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดามันเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้นี่มันก็จะเข้าใจในตรงนั้นมันก็ไม่ได้ไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆนั้นมันก็มาแล้วก็ผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะฉนนั้ผู้ที่บวชทำแล้วมันก็ไม่ได้ทุกมันก็ไม่ได้ยินดียินร้ายเปกับคาสรรเสริญคําคนิมิาอะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องที่เ ร, เ ร, เรียกว่าคอขาดปัสตาวะไม่ใช่คําพูดเขาามาด่าเรา มาทำลายเราใส่ไหนนะไม่ได้เป็นของแข็งเป็นไม้เป็นอาวุธมาตีเราแต่คําพูดต่างๆมันก็แค่ผ่านมาแล้วจริงๆมันก็ผ่านไปแล้วนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าไอ้คนเราที่โดนเขาว่านั่นแหละมันไปยึดในตรงนั้นมันก็กลายเป็นอาวุธมาทำลายเราเองใช่ไหมกลายเป็นว่าไอ้คาพูดมาทำลายจิตใจเราทำลายจิตใจเราบางทีมันทำลายจิตใจเรายิ่งกว่าโดนอาวุธโดนไม้หรือโ ด, ดนของแข็งทาลายสิกใช่ไห ทำร้ายไม่ทำร้ายตอนนั้นนะเป็นบาดแผลในใจลึกบางทีก็เป็นเดือนเป็นปีหลายๆปีก็ยังมีบาดแผลนั้นอยู่นึกที่ใดก็โกรธแค้นแล้วก็มีความเจ็บใจมีความทุกข์ทุกครั้งไปเนาะไม่ใช่ความทุกข์แค่นนะั้นมันเกิดจาการทางกายนะไอความอารมณ์ที่ว่านะ่ยความเครียดตั้งหลายแหล่มันก็มาทำร้ายร่างกายด้วยนะให้ร่างกายโรภัยใครเจ็บพลังกายจริงจริงแล้วโรภัยต่างๆความดันหรือว่ามะเร็งต่างๆนะ มันเกิดจากความเครียดแทบทั้งนั้นเลยนะมันตรงนี้มันจะทำร้ำายร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เขามีสติแล้วเขารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคนก็มาด่าเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามก็ไม่ได้ใครมาชมเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ห้ามก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่มันผ่านพานผ่านเนานนะแต่ว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันก็ต้องฝึกมาก่อนใช่ไหม ครั้นี้ที่ว่าเรามาเจอลุงสิ่ก็คือเราก็มาเริ่มรู้กายก่อนนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้ไหมนะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่กลับมารู้ในปัจจุบันธรรมเนาะคือคนเราเนี่ยมันมันจะไม่รู้ในตรงนี้เพราะว่ามันจะไม่สนใจในพระธรรมปัจจุบันเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจุบันนี้มันไม่น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องเคยชินอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเช่นเรานั่งเนี่ยเราจะไม่รู้เรานั่งเลยเพราะเป็นเรื่องเคยชินเนาะ หรือเราเดินเราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังเดินเพราะไม่เป็นเรื่องเคยชินการที่เราเคยชินน่ะจิตมันก็เลยไม่สนใจมันก็เลยไม่สนใจนะเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ไงเมื่อมันไม่สนใจมันก็เลยไม่รู้มันไม่รู้ก็คืออะไรก็คือมันหลงนั่นเองใช่ไมมันเดินมันก็ไม่รู้มันก็คือไม่รู้มันก็คือมันหลงใช่ไหมเขาเรียกว่าเมื่อไม่รู้มันก็หลงวิธีการแก้การหลงก็คือกลับมารู้นะ กลับมารู้ไหมตอนนี้เรานั่งถ้าเรารู้ว่าเรานั่งอันนี้ประวัติธรรจบแล้วนะพระพิจารณ์บอกว่านั่งให้รู้ว่านั่งมาเดินเรารู้ไหมว่าเราเดินถ้าเรารู้ว่าเราเดินด น, นั่นประวัติธรรจบแล้วพระเจ้าบอกว่าเดินให้รู้ว่าเดินใช่ไหมมันแค่นี้เองนะกลับมารู้ในปัจจุบันเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมคราน้นี้บางทีมันก็ไม่ชัดใช่ไหมว่าเรานั่งมันก็อาจจะไม่ชัดเพราะมันเป็นความเคยชินแล้วก็มีวิธีการยกมือสซ้าย่างหวาบบ้างนะหรือว่าพลิกมือความพิกมือง่ายกระทบนิ้วคลึงนิ้วต่างๆ ให้เป็นเครื่องรู้ที่มันให้ค่อนข้างจะชัดเจนนิดนึงให้เป็นเครื่องคล้ายๆว่าให้เป็นเครื่องอาศัยของจิตนะเป็นเครื่องมือหรือเครื่องให้จิตอยู่ในตรงนั้นอยู่ในการยกมือบ้างพลิกมือความพลิกมือง่ายบ้างให้เขามีเครื่องอยู่เมื่อจิตเคขามีเครื่องอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมนี่แหละคือปัจจุบันธรรมนะคือการที่จะเป็นวิหารธรรมได้อย่างไรก็คือจิตเขารู้ไหมสังหะใช่ไหม แม้แต่เรายกมือไส้หวานเนี่ยถ้าจิตไม่รู้ก็ไม่เป็นวิหารธรรมใช่ไหมจิตไม่ไม่รู้อ่ะเป็นความเคยชินเนาะจิตปกตมิมก็ชอบไปบางทีตอนนี้เรานั่งนี่แต่จิตก็ไปบ้านใช่ไหมจิตมันไปบ้านไปที่ทํางานไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนใช่ไหมเขาไปนะหรือไปต่างประเทศก็ยังได้เลยแต่ถ้าจิตเขารู้นะเรายกมือหรือพลิกมือคว่ำเขารู้ปั๊บนจิตเป็นไงมันก็รู้นะรู้รู้อะไรรู้ก็คือจิตรู้ใช่ไหม จิตรู้ไม่จิตรู้ก็คือเขากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วจากการรู้นั่นแหละเขาไปเที่ยวไหนก็กไม่ว่าแต่เมื่อพลิกมือคว่ำพลิกมือขวาย เ, เขารู้ปุ๊บคือจิตมารู้มันจะกลับมาทันทีเลยนะมันสําคัญว่าจิตเรารู้ไหมใช่ไหมแต่เราทําแล้วจิตไม่รู้มันก็ไม่กลับมานะให้เรายกมือด้วยถ้าจิตไม่ไมรู้มันก็ไม่กลับมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรารู้ปุ๊บมันก็กลับมาใช่ไหมการรู้เนี่ยคือรู้รู้บ่อ ย, อยรู้เป็นขณะขณะรู้เป็นครั้งครงไม่ต้องรู้ยาวๆนะเมื่อเรารู้บ่อยรู้เป็นขณะ จิตก็จะค่อยๆปลุกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมานะตลุกปลุกธาตุรู้ให้ตื่นคือคนเราก็มีธาตุรู้เขาเรียกวิญญาณธาตุอยู่กันทุกคนแต่เนี่ยมันก็หลับไหลหรือว่ามันจะตื่นเหมือนกันแต่มันจะนานๆค้างค่อยตื่นนะครั้ น, นี้เมื่อเราสามารถที่จะรู้บ่อยๆอันนี้จะทําให้ธาตุรู้ในตัวเราก็เรียกเป็นผู้รู้นะมันก็ตื่นขึ้ น, นมาได้บ่อยๆตื่นขึ้นมาเราขยาวเขาก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาเนาะจากตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนนั้นเราก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รรูู้้้้เยมมััันนคคิิดดทงวว่่าก็ไ แต่เมื่อเรามาเจริญติแล้วเราก็เออมันคิดเราก็เริ่มรู้นะคิดเราก็เริ่มรู้แล้วนี่แหละคือทักษะในการกลับมาอะไรกลับมาก็คือไอ้จิตเนี่ยมันมันกลับมารู้นั่นเองใช่ไหมกลับมารู้บ่อยๆยก็คือจิตมันกลับมานั่นเองนะมันไปเที่ยวแต่มันก็กลับมาไปเที่ยวแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเจริญสติไม่ใช่ว่าเราทําแล้วมันทําให้ฟุ้งซ่านตนเก่าทําไมมันคิดเก่งเพราะอะไรเพราะมาก่อนมันก็เที่ยวอยู่แล้วมันก็ไปอยู่แล้วแต่เราไม่รู้แต่จากการที่เราสังเกตุไปบ่อยเนี่ยจิตก็จะมีมีทักษะมีกําลังในการ ที่เรียกว่าเออเขาก็กลับมาได้ไวขึ้นนะเพราะอย่าไปกลัวว่ามันมันคิดเก่งมันพุ่งซานไม่เป็นไรแต่ยิ่งคิดเก่งยิง่งพุ่งซานถ้าเรายิง่งรู้นั่นแหละไอต้ตั ว, ต, วตัวรู้ก็ยิง่งโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเ ห, หมือนที่หลวงพ่อเขียนบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นั่นะแหละเพราะนั้นมันมันคิดไปเท่าไหร่ก็ไม่ว่ามันแต่เรารู้ไหมเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้อาจิตมันโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเหมือนากกาที่ิตมันโตเน passive, ากกาี่ยนบอกว่ายิ่งคิดกายอย่างเดียวนะมมันจะเริ่ สังเกตใจได้บ่อยขึ้นแล้วนะอมันจะเห็นความคิดได้บ่อยขึ้นเมื่อก่อนเราคิดสักร้อยครั้งอาจจะรู้สักสี่ห้าครั้งเองใช่ไมถ้าตอนหลังคิดร้อยครั้งมันจะเริ่มเห็นได้มากขึ้นละเออคิดบ่อยๆนะยี่สิบสามสิบสี่สิบครั้งมันเริ่มเห็นกันเรื่อยๆนะตรงนี้จากการทักษามันเห็นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นวิธีวิธีทางของจิตเ <c oughs> พราะเราเมื่อเกี้หลวงประเทนเลยบอกว่าผู้ใดเห็นความคิดผู้นั้นได้ต้นทางของการปฏิบัติธรรมแล้วคําว่าต้นทางของการปฏิบัติธรรมคืออะไร ก็คือกลับมาเห็นใจเรานั่นเองใช่ไหมใจเราเป็นอย่างไรเรารู้ทันไหมใช่ไหมมันไม่ใช่รู้ทันแล้วมันต้องดีใช่ไหมไม่ใช่รู้ทันแล้วเออมันจะต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงต้องมีสติต้องไม่เผลอไปอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่คําว่ารู้ทันหมาความว่ารู้ทันความจริงในขณะนี้ในปัจจุบันนี้นะมันจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะขณะนี้มันจะหลงไปก็ได้อาจจะโกรธก็ได้จะรักอาจจะชังก็ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะมันไม่ใช่เป็เรื่องผิด แต่ว่าเรากลับมารู้ทันไหมอารมณ์ต่างๆเราเนี่ยกลับมารู้ทันไหมนะมาเพราะนั้นถ้าเราวางใจได้ถูกต้องแล้วเราจะรู้สึกว่าเออการมาทำมันก็ง่ายนะไม่ใช่ว่าไปบัดวันบางวันเราดีแล้วก็ดีใจพอใจชอบใจบางวันไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบใจไม่พอใจนะตรงนี้มันวางใจไม่ถูกต้องแต่เราไปบัตดทำแล้ววางมันมันดีมันชอบใจเราก็รู้มันเฉยเฉยไม่ต้องไปดีใจกับมันนะมาบางวันมันไม่ดี ก็ไม่เป็นไรเราก็รู้เฉยไม่ไม่ได้ไปเสียใจกับมันนะตรงเนี้ยตรงนี้ก็คือกลับมารู้ความจริงในตรงนี้มากกว่าไม่ได้ต้องทอํามันดีแต่กลับมารู้ความจริงในตรงนี้ล่ะอันนี้ก็เรียกว่าเราสามารถที่จะกลับม า, าดูความจริงหรือวัตสุธรรมในตัวเราเองได้นะเมื่อเราเห็นในตรงนี้บ่อยๆจะรู้สึกว่าเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยมันเป็นเช่นนั้นของเขาเองนะมันก็เป็นเรื่องของเขาเองไม่เรื่องเราถ้าเราบังคับเขาได้ก็ต้องดีทุกวัน นี่ทุกครั้งหรือว่าต้องไม่โกรธไม่รักไม่ชังได้ไหมเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเราวางใจได้ถูกต้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเออปฎิบัติธรรมมันก็ไม่ยากนะ <c oughs> ก็แค่เรากลับมารู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองไม่ต้องไปบังคับเขาให้เห็นไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะตรงเนี้ยจิตก็จะเกิดปัญญา <c oughs> <c oughs> เห็นสภ า, าวธรรมทุกอย่างมันเป็นสภาวธรรมที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เมื่อเราบังคับบัญชาเขได้เขาจึงแสดงความไม่เที่ยงความทุกข์ แล้วก็ไม่ใช่ตัวเมตตนี้เราเห็นเนาะมันก็เกิดปัญญาในตรงนี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นั่นแหละมันก็จึงไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะอย่างที่เราสวดไปแล้วนะอ่าร่างกายจิตร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เลยว่าไม่เทียบเป็นทุกข์เป็นนักตานะมันก็เกิดความจริงเข้ามาเห็นในตรงนี้เมื่อเราเห็นตรงนี้บ่อยๆว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้มันจึงเป็นเช่นนั้นกัมันเองจิตก็เริ่มการปล่อยการวางการมยึดติดการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะว่าาเเป็นของร เป็นตัวเป็นตนของเรานะมันจะเริ่มปล่อยเริ่มวางแล้วใช่ไหมมันจะตรงกันข้ามนะเมื่อก่อนเราจะนั่นเปียบแหละคือมันจะกอดตัวเราเองนั่นแหละนี่ของกูนะอะไรทั้งหลายแหละนี่แหลนะมีตัวกูของกูสิ่งต่างของกูหมดเพรา ะ, ะนั้นตัวเราจะโตเราจะใหญ่เราจะยึดมั่นถือมั่นเยอะแยะเลยแต่การที่เราค่อยๆเห็นมันบ่อยๆนะว่าเรายึดมันไม่ได้แล้วมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุป็นัตตาเมื่อมันเ <c oughs> มื่อมันสามาถึงบ่อยในตรงเนี้ย มันจะเริ่มเข้าใจว่าตรงเนี้ยเราไปทําอะไรก็ก็ไม่ได้เราไม่น่าที่รู้ที่เขาเท่านั้นเองรู้ไปตามความเป็นจริงเพราะเขาแสดงความไม่เที่ยง เ, เราเห็นบ่อยๆมันก็เกิดความเข้าใจที่เรียกว่าค่อยๆกระเทาะกระเทาะกระเทาะความเข้าใจออกมาเนาะแล้วมันก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปละตัวตนนะไม่ต้องไปละตัวตนไม่ต้องละอน้าตาตัวตนหรือไปทําลายตัวตนทั้งสิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นของเราตั้งแตตนแล้วมันไม่ตัวตนของเราตั้งแตตนแล้ว เราก็เพียงแต่เห็นไม่บ่อยๆเพื่ออะไรเพ่อจะถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนเท่านั้นเองเ <c oughs> พราะว่าเมื่อใดที่เราเริ่มถอดถอนความเข้าใจผิดหรือว่าค่อยๆเข้าใจมันค่อยๆเข้าใจมันการนี้เราค่อยๆเข้าใจมันนั่นแหละว่ามันไม่เพียงเป็นนตานี่แหละคือการค่อยๆถอดถอนนะมันค่อยๆอๆกรนะเทาะสะเก็ดสะเก็ดของความเป็นตัวตนออกไปจงถึงระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าออจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะอะไรๆมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับไม่ตัวไม่ตน มันจะเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอะบางทีครูบาอาจารย์นั้นก็เรียกว่าพุ่งดับพุ่งเลยนะเรียกว่าแป๊บเดียวนั้นก็บรรลุธรำแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของอวาสนาบา ร, รมีของท่า น, ท, านท่านปฏิบัติมาแล้านชาาไม่ทวนแล้วอแต่อย่างพวกเรานั่นเราสามารถทําได้ทุกคนเพราะอะไรเราสามารถที่จะบรรลุธรรมไม่ตามลําดับได้ก็คือเราก็สังเกตได้จิตใจเป็นอย่างไร การเราสังเกต จ, จิตใจนั่นแหละกิเลสจะค่อยๆเบาลงลดน้อยลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเพราะเราสังเกตเขาได้ก็าจะไม่เพิ่มขึ้นมานะถ้าสังเกตเป็นนะเขาจะไม่โตขึข้นแต่เขาจะเล็กลงเล็กลงน้อยลงเมื่อก็ลองเท้าใช่ไห ม, มลองเท้าเนี่แหละเราใส่ไปแล้วนะเราไม่รู้ว่ามันสึกไปวันละเท่าไหร่แต่เมื่อใส่ไปนานๆจะรู้สึกว่ามันก็สึกลงไปนะอันนี้ก็เหมือนกันกบกิเลสนะเราไม่รู้ว่ามันน้อยไปวันละเท่าไหร่แต่เมื่อไปนานๆเราจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มลดลงไปแล้วน้อยไปแล้วนะ มันก็รู้สึกว่าเราก็ตาก่งางกันเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนใครก็มาดินท่าเรามาว่าเราเรารู้สึกว่าเราปี๊ดนะฮะขึ้นมาโกรธทันทีเลยเราก็อยากไปโต้เถียงเขาแต่เมื่อตอนหลังเราเข้าใจแล้วเราก็ใครมาดินท่าเรามาว่าเราก็ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกไปเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราใช่ไหมมันจากการที่มันเข้าใจนี่มันก็วางใช่ไหมเนี่ยมันจะตา่งางกันเมื่อก่อนเยอะเลยนะเพ <justo> ราะตรงนี้ก็คือหนทางการบรรลุธรรมนะก็คือบรรลุไปตามลำดับนั่นเองนะ เราก็เป็นคนทางที่ไม่ยากด้วยแล้วก็จิตเราก็ไม่เศร้าหมองในก่อนตายด้วยเราเมื่อทําได้ถูกต้องแล้วจิตก็นะมันก็จะเกิดการผ่องใสนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนาะเราก็มีโอกาสที่บรรลุเป็นพระอรหันต์อ่เป็นพระพิจิตรในชาตินี้เนาะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาบารมีคุณพระไตรน้อมนําพุตรท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพานุท่านเถิด